วันนี้นับคนได้ห น, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบคนที่งานอีกสองคนแสดงอีกคนเป็นสิบสามคนที่บ้านเข้ามาเท่าไหร่นะอันนี้เต็สิบร้สิบสองนะครับยังไม่มีใครเข้านะสัญญาณชัดไหมชัดครับเสียงชัดภาพชัด ใครอยากจะมีอะไส่งเข้ามาได้นะตอนนี้ยังไม่อยากจะพูดอะไรใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ ม, มีคําถามเข้ามาไหมยังครับพวกที่รอคิวก็จะได้ไม่ต้องรอวันนี้ให้คิวคิวแรกเลยพร า, า, าเห็นคนที่มานี่ก็คนหน้าเก่าๆนะ มันรู้จะพูดอะไรให้ฟังนะพูจนหูฉีก็ฟังไป ห, หูฉีก็กิเลสไม่ยอมฉีดตามหูไงฟังเทศฟังธรรหูฉีไม่ได้ต้องกิเลสฉีดผู้ชมไปดูบอกว่าชัดทั้งภาพทั้งเสียงจากกรุงเทพเลยครับอ่าดีอ่าส่งข่าวก็ส่งข่าวก็มาได้นั้นอยู่อยู่ที่ไหนบ้างรายงานการถ่ายทอดบ้างก็ได้วันนี้ Youtube ก็มีนะถ่ายทอดสดทั้ง YouTube ทั้ง f a เฟซบุก๊กเอาได้ไคำถามจากผู้มัทส่งออกน้ำนะคะข้อที่หนึ่งช่วงนี้หนูนั่งสมาธิได้ไม่นานเหมือนเมื่อก่อนพอนั่งไปมันจะรู้สึกว่ามีอาการเคลิ้มเหมือนจะง่วงหนูก็พยายามพุโทโธพุโทโธแต่ดูเหมือนจะยิ่งง่วง ทั้งที่ผ่อนอาหารบางทีผ่อนหลายวันก็ยังมีอาการแบบนี้บ่อยครั้งรู้สึกปุดหงิดอาการแบบนี้และส่วนใหญ่หนูจะแก้ปัญหาด้วยการลุลกมาเดินจงกรมพยายามให้มีสติอยู่กับพุโทโธแทนแต่ก็เป็นกังวลว่าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตคงจะไม่รวมสักทีเพราะนั่งนานไม่ได้กิเรตคอยแต่จะดันให้ลุกหนูจะแก้ปัญหาอาการเพิ่ ม, มระหว่างนั่งสมาธิอย่างไรคะ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 เราสองจะได้มีเวลาสร้างสติปัญหากลัวมันเวลาปฏิบัติมันน้อยจะมานั่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะง่วงเพราะว่าเราไม่มีสติที่จะสู้กับความง่วงได้งสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาก่อนก็คือสติควรจะพุโทโธไปตลอดทั้งวันเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลา ที่เราจะมานั่งอย่างเดียวต้องพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็พุทโธลุกขึ้นยืนก็พุทโธเดินไปเข้าห้องน้ําก็พุทโธทําอะไรในห้องน้ําก็พุทโธพุทโธไปพุทโธไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นต้องคิดคิดแต่เรื่องที่จําเป็นจริงๆอย่าไปคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้อ อย่าไปคิดอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวมันต้องอย่างนี้มาถึงนั่งถึงจิตถึงจะรวมได้ถ้ามามาพุทธโธตอนนั่งไม่มีวันไม่มีทางบมันไม่มันจะไม่ยอมพุทธโธนั่งแล้วมันก็จะคิดไปคิดมาหรือไม่ไงั้นมันก็ง่วง ถ้า ง, ง่วงก็ต้องลุกขึ้นมาเดินก่อนถ้าผอนอาหารยังง่วงอยู่ก็ต้องอดอาหารเลยอย่าไปกินมันทั้งวันดื่มแต่น้ำน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้น้ำปานะแต่อย่าไปดื่มมากเกินไปอย่าไปดื่มแทนอาหารดื่มพอประครับประคองให้ร่างกายมันอยู่ได้ คิดเสียว่าเราไปหลงทางอยู่ในป่าไม่มีข้าวกินก็แล้วกันมีแต่มะพร้าวมีแต่ผลไม้ก็เดินแต่น้ำผลไม้ไปอย่าไปกินเนื้อมันกินเนื้อเดี๋ยวมันก็อิ่มอีกอดื่มแต่น้ำไปอันนี้ต้องอต้องใช้เวลาหน่อยเวลาปฏิบัติถ้า มีวันแค่วันชั่วโมงแล้วมานั่งอย่างนี้มันก็ร้อยร้อยทั้งร้อยเหมันก็ง่วงนู่นน่ยมันต้องมีเวลาจเจริญสติให้มากอย่างนั้ น, นการจะปฏิบัติได้ผลมันต้องไปปฏิบัติแบบต่อเนื่องสามวันห้าวันอย่างนี้แล้วก็พุทโธไปทั้งวันเลยเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธสลับกันไป แล้วจงกรมก็พุทโธไปนั่งก็พุทโธไปถ้าทำรักษาวันห้าวันนี้มันมันจะได้ผลทางง่วงก็ไม่ต้องกินข้าวเลยอดไปเลยแต่ถ้ามานั่งวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงระหว่างที่ให้จิตรวมก็ก็เพ้อฝันแค่นั้นแหละอ่ ะ, อ ะ, อะมีอะไรอีกไหม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 อยู่ไปทำไมทางโลกอยู่ทางโลกมันก็ได้แต่เรื่องวุ่นวายตามอยากต้องการความสงบก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปเปรกเว้วเวลามาทำกิจกรรมร่วมกันก็ไม่คุยกันทำทำกิจกรรมไปเสร็จก็แยกกันไปตามวัดป่าเขาทำกันอย่างนี้พระที่อยู่ในวัดนี่เวลามาทากิจกรรมร่วมกันก็ไม่คุยกัน บินาบาตก็ไม่คุยกันฉันก็ไม่คุยกันล้างบาทปัดกวาดทำอะไรก็ไม่คุยกันเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปที่พักของตนไปเดินจงกลมไปนั่งสมาธิจะพักก็เฉพาะเวลาหลับนอนเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้ผลต้องปฏิบัติแบบนี้ถ้าไม่ปฏิบัติแบบนี้แล้วไม่มีวันที่จะได้ผลนะคทําได้กจากคุณมีศักนะครับ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 การทำบุญในปัจจุบันนี้เป็นเหมือนกับการไปซื้อเกราะการสนุนเกราะการสนุนมาใส่การกระสุนมาใส่ถ้าเรามีเกราะการกระสุนเวลาเขายิงเรามันก็ยิงไม่เข้าแต่เราไปห้ามเขาไม่ให้ยิงเราไม่ได้เพราะเราไปทำเขาแล้วเราไปยิงเขาแล้วเขาก็ต้องมายิงเราแต่ถ้าเราไม่อยากจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเราก็ไปซื้อเกราะการกระสุนมาใส่แล้วยิงก็ยิงไม่เข้า บุญที่เราทำกันในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการซื้อเกาะการกระสุนเพราะกรรมเก่าที่เราทาไว้มันปรากฏขึ้นมามันก็จะไม่สามารถมากระทบกระเทือนใจตรอได้แต่มันอาจจะกระทบกระเทือนกับร่างกายเพราะร่างกายเราไม่มีอะไรที่จะบังกรรมได้เช่นไปตีหัวเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาหาเวลามาตีหัวเราแต่ถ้าเรามีบุญ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 แต่ไปทำบุญแล้วไม่สามารถไประงับบาปบาปผลทั้งสองอย่างบุญก็ส่งผลบาปก็ต้องส่งผลคํถาถามต่อไปจากคุณอ๊อฟนะครับถ้านั่งสมาธิก่อนนอนเลยโดยที่ไม่ได้สวดมนต์และเดินจงกรมจะได้ไหมคะได้ได้ทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องสวดก็ได้ไม่ต้องเดินก็ได้ออ ข, ขอให้นั่งแล้วมันมีสติเท่านั้นน่ะ ถ้านั่งไม่มีสติมันก็ถ้าไม่ฟุ้งก็หลับมันไปสองอย่างไปสองทางมหมดนล้นเหรบทยอยเข้ามาเรื่อยๆนยย า, ายงานเรื่อยก็ได้ภาพเสียงเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอยากจะรู้จักบ้างมีทั้งนิวซีแลนด์มีทั้งขมแก่นด้วยครับใช่ครับแต่กุสมสุขนะครับเราจะคิดอย่างไรถึงจะออกไป เราจะคิดอย่างไรถรึงจะออกไปอยู่ไปปฏิบัติธรรมได้เจ้าค่ะคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆน่เลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ลืมความตายนี้เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปหาเงินไปทําไมอยู่ไปแล้วตายไปเอาเอาอะไรไปได้ต้องคิดถึงความตายแบบจริงๆอย่างจังเน่ก็คือคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้นะมีใครรับประกันชีวิตเราได้ไหม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 ต่อให้ปซื้อประกันชีวิตเขาก็ไม่รับประกันว่าชีวิตของคุณจะอยู่ถึงวันนั้นวันนี้ให้คิดเสมอว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่หลงที่จะไปอยู่แบบที่เราอยู่กันทุกวันนี้อยู่ไปทุกวันนี้มันได้อะไรบ้างก็ได้กับความสุขเล็กๆน้อยๆผสมกับความทุกข์เยอะ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 มาปฏิบัติธรรมกันอยากจะมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะจะทําให้ใจของเรานี้แข็งแกร่งทําให้ใจเรากล้าหาญทําให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวกับความตายจะทําให้เรามีความสุขอยู่เฉยๆไม่ต้องดิ้นรนให้เหนื่อยยากเพ้นมันเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนพระ อ, อนุ์ให้เราลึกถึงความตายทุกวมหายใจเข้าออก ถ้าไม่ลึกไม่ไม่ระลึกปับ๊บมันลืมเลยลืมตายเลยมันต้องคิดอยู่เรื่อยว่าเราต้องตายเราต้องตายเราต้องตายอาจจะตายเดี๋ยวนี้ว่าตายวันนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้คนที่เ้าตายวันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาตายเขาจะตายวันนี้ก่อนหรอเชื่อไหมคนบางคนนี่อายุยังดียังไม่กี่ขวบเลยเดินข้ามถนนรถชนตายแล้วก็มีนั่งรถไปรถความตายก็มี เดินไปไปเจอลูกหลงอเขายิงกันยิงมาถูกเราเข้านี้ตายไปก็มีไปถามพยาบาลที่โรงพยาบาลเยมีพวกที่เขาไปมีใครที่ว่าจะไปโรงพยาบาลกันบ้างวันนี้ออาจคิดแบบนี้มั่งคิดตามความเป็นจริงแล้วมันจะทําให้เรากลัวไม่อยากจะอยู่ทําให้เราจะได้หาทางออกกันหาทางไปอ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 แด้วยวรถเบ้นใหม่ๆ ม, มาเกิดตายวันนี้คนอื่นเขาก็ยิ้มซื้อ i iPhone รุ่นใหม่เดี๋ยวออกเดียวตายไปวันนี้เขาคนอยู่ก็ยิ้มนะะนั้นให้คิดถึงความตายแล้วรับรองได้ว่าจะ <c oughs> หายหลงทุกวันนี้เราลืมตายกันลืมความตายกันเราคิดจะอยู่กันทนั้นเองไม่มีใครคิดว่าจะตายกันคิดว่าเป็นซุปเปอร์แมนกันทุกคน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 ก็หาพอกินพออยู่ก็พอละเอาแบบเพียงพอเรียกเศรษฐกิจเพียงพอพอเพียงพอมีกินมีอยู่แล้วก็พอแล้วไม่ต้องไปหาอะไรให้มันมากม า, กายกายกองวุ่นวายไปเปล่าๆ <Okay. S 1> ความสุขจากของต่างๆจากรถเบนจ์จากคอนโดนี่มันไม่สุขหรอกมันสุขอยู่จากการที่เรามีเวลามาทำใจให้สงบดังนั้นขอให้เรา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 ถ้ามุ่งไปทางศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสบายอ่าพวกที่มาอยู่วัดเป็นไงมันนุ่งขาวผมขาวุ่นวายไหมวุ่นวายก็ต้องวุ่นวายที่อยากจะกลับไปวุ่นวายทนั้นแหละอยู่เฉยๆมันคันมันต้องมีอะไรเก่ามันต้องต้องมีอะไรเรื่องอะไมาให้มันคันมันถึงจะได้อมันจะได้มันอยู่เฉยๆแล้วมันไม่มีอะไรให้เก่าต้องไปหาเรื่องเก่ากัน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 แสดงว่าไม่เคยเข้าวัดเลยมถามปัญหานี้ไม่เคยได้ยินคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนคำถามต่อไปจากคุณจตุรพรนะครับหนูเพิ่งจะปึกนั่งสมาธิแต่จิตชอบฟุ้งร้างขออุบายให้จิตสงบหน่อยได้ไหมคะับาดพุทธท่องพุทโธไปก่อนนะจะเริญนสติไปก่อน ทั้งวันเลยก่อนที่จะมานั่งไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งเพียงอย่างเดียวเหมือนกับขับรถร้0ยยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแตะเบรกทีจให้มันหยุดเกืกมเป็นไปไม่ได้ต้องเหยียบเบรกไปได้เรื่อยเหยียบเบรกไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆช ะ, ะลอตัวแล้วก็จอดเองจากคุณซีเนมนะครับถามถึงเรื่องการระงับทีเลสโทสซโมหะอย่างง่ายๆในการดำรงชีวิตแต่ละวัน สามารถทาได้ด้วยวิธีใดบ้างครับก็ให้เรายินดีตามดีตามเกิดอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความโกรธของเราเกิดจากความอยากให้เป็นสิ่งต่างๆเป็นตามความอยากของเราพอมันไม่เป็นตามความอยากเราก็โกรธอยากจะให้เขาทำอนี้ให้เราหน่อยพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธ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 เราถึงจะไม่กังวลเรื่องปัจจัยเจ้าคะ่ะเพราะถ้าเราไปอยู่วัดปฏิบัติจริงๆเรายังกังวลว่าไม่จะไม่มีปัจจัยคะ่ะเวลาไปเที่ยวเห็นกังวลเรื่องไม่มีปัจจัยเลยนะเวลาซื้อรถเบนซิซอะไรเห็นมะีมันก็ต้องใช้เงนินใช้ทองนะั้นพอไปอยู่วัดขึ้นมากังวลเรื่องปัจจัยนะ้อไอยู่วัดถ้าอยากจะอยู่แบบไม่ใช้ปัจจัยก็ไปทํางานในวัดสิ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 วัดเขาก็เมตตาเขาก็มีรายจ่ายมีรายจ่ายให้มีมีเงินเดือนให้เะนั้นก็ต้องต้องต้องทำงานด้วยแ ต, แต่ทำงานในวัดมันไม่เหมือนกับทำงานที่ข้างนอกมันงานแบบดูแลช่วยเหลือการทำอะไรให้มันเรียบร้อยไปแล้วก็มีเว ล, เวลาไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนก็มีเวลาไปปฏิบัติได้เยอะแยะไป ภ่านี้ก็ต้องทำงานเหมือนกันอยู่วัดก็ต้องช่วยปาดกวาดลานวัดช่วยกันกวาดถูสาราบางทีกุฏิอะไรเสียหายก็ต้องช่วยกันซ่อมไปมันก็ทำกันไปอย่างเงี้ยมันไม่ต้องใช้เงินหรอกถ้าถ้าจะไปอยู่วัดจริงๆอย่างใต้องไปหาวัดที่เขาเขาเขาเข า, เขาเขาเขาเลี้ยงเราได้ แล้วเขายินดีที่จะรับเราคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณจินนี่นะครับถ้าเราไม่ได้ไปร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่สนามหลวงแต่เลือกมาปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแทนจะได้หรือไม่ครับได้งูเลยนะเสียงงูงูเขียว <c oughs> จะลงไหมอะก็ปล่อยมันไม่ามาละ ลงมาเลยมันกำลังหาได้กินอยู่ดูสิใครสมาธิดีๆพูดโธกันเดี๋ยวมันตกลงมาทำไงก็ต้องให้ลงม า, <laughs> า <laughs> ไม่ก็นั่งเฉยๆเลยมันตกลงมาจะทำอะไรก็ปล่อยมันตกไป <laughs> ได้การทำบุญมีหลายวิธี แต่บางครั้งบางคราวมันก็ควรทําในสิ่งที่เขาทํากันเพื่อแสดงน้ําใจแสดงอะไรต่างๆไม่ใช่พอถึงเวลาจะทําแบบนี้ก็อ้างว่าฉันไปทําอย่างงั้นดีกว่าเพราะบางทีฉันไม่อยากจะทําอย่างนี้นี่มันก็ไม่ควรบางครั้งต้องการความสามัคคีการพร้อมเพรียงความเป็นหนึ่งอะไรอย่างเนี้เราก็ต้องไปทํา ไม่ใช่พอถึงเวลานั้นเราบอกแม่ฉันจะไปปฏิบัติธรรมของฉันละร้อยปีพันปีไม่เคยไปปฏิบัติธรรมพอถึงเวลาจะต้องไปร้องเพลงสรรเสริญ ก, ก็จะไปปฏิบัติธรรมขึ้นมาอ้าอย่างนี้มันก็ไม่ควรแต่ถ้าเราเคยปฏิบัติธรรมเป็นนิสัยอยู่เป็นประจำอย่างนี้อ่าก็ไม่มีใครว่าอะไรจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปอย่างพระนี่เห็นไ้มก็ไม่เห็นต้องไปร้องสรรเสริญอะไรก็ท่านก็ปฏิบัติของท่านอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว พาก็เหมือนต้องไปซื้อเสื้อดํามาใส่ไม่มก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเป็นการปฏิบัติตามปกติของเขาอย่างนั้นส่วนเรานี่อยู่ดีๆก็ไม่เคยไปปฏิบัติเลยพอเขาไปร้องเพลงสรรเสริญก็อ้างก็ขอบายบายมาไม่ไปล่ะจะไปปฏิบัติทำอย่างนี้ถ้ามันทําแบบนี้มันก็ไม่ควรฮ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 ก่อนจะนั่งถ้ามันนั่งแล้วไม่สงบก็สวดมนไปก่อนะสวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าใจมันไม่คิดอะไรแล้วถึงค่อยพุดโธถ้ายังคิดอยู่ก็สวดไปก่อนสวดไปต้องสวดนานบางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้สวดจกนกระทั่งมันเมื่อยปากเมื่อยมันอยากจะหยุดสวดนั่นแหละอะตอนนั้นก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้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 สามประการได้คือความอยากในรูปเสียงกิน่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้เป็นเป้าหมายของการหลุดพน้นการรักษาสีนการนั่งสมาธิการเจริญปัญญานี้เป็นเครื่องมือไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้ให้เราได้ผลตัวที่จะได้ผลก็คือตัวที่เราคือการทาลายกิเลสตัณหา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 จิตที่วางเฉยกับจิตปกติเหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะจิตปกติของพวกเรานี่มันก็ยังมีรักชังกลัวหลงอยู่เมื่อกี้เห็นงูปั๊บนี่ชังแล้วกลัวขึ้นมานะถ้าจิตของผู้ที่สงบที่เป็นอุเบกานี่เขาจะเฉยเฉยเขาจะไม่ชังไม่กลัวไม่รักต่างกันตรงนั้นจิตปกติก็ยังมีรักชังกลัวหลงอยู่ แต่จิต ท, ที่สงบแล้วจิต ท, ที่ไม่เป็นอุเบกขาใช่ไหมเมื่อกี้ก็ถามจิตอะไรนะจิตจิต ท, ที่วางเฉยกับจิตปกติจิตที่วางเฉยก็คือจิต ท, ที่เป็นอุเบกขาที่ได้ที่เป็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิจิตรวมแล้วจิตก็จะวางเฉยได้อย่างแท้จริงตอนนั้นก็จะไม่มีความนัก้งชังกลัวหลงแต่อย่างใดเห็นหลนเพชรก็จะเฉยอ เห็นอุจจระก็ไม่ชังเ ห, เห็นว่าเหมือนกันเป็นภาพเป็นรูปเหมือนกันแตถ่ถ้าจิตไม่มีอุบเบกขานี่เห็นอุจจระก็จะรังเกียจเห็นเพชรก็จะอยากได้อยากก็รักขึ้นมาเห็นงูก็กลัวขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณนนท์นะครับขนาดพิจารณาไตรลักษณ์ ว่าด้วยการพิจารณาทุกขเวทนาด้วยเวทนานุปัสนาปิฏิสามารถจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ครับด้วยขณะที่พิจารณาเวทนาอยู่นั้นสามารถวางเวทนาที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นอุเบกขาเวทนาแทนทุกขเวทนาได้ก็ดูอาการอาการปวดทนอยู่ไม่ได้แทนครับไหนคำถามคือ คำถามคือขณะพิจารณาพระไตรลักษณ์ว่าด้วยการพิจารณาทุกเวทนาด้วยเวทนานุ ป, ปัสนาปิติสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ครับถ้ามันสงบมันก็เกิดปิติได้คำถามต่อไปจากคุณเล็กนะครับหลังจากนั่งสมาธิแล้วมาพิจารณากายเวทนาจิตได้ไหมคะขอความเมตตาพระอาจารย์ทีแนบคะ่ะ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 เรียนหนังสือก็เป็นระดับปริญญาตรีโทเอจกจะไป ท, ทําทีเดียวพร้อมกันเอาทั้งสามปริญญาเลยเดี๋ยวมันจะสับสนแล้วมันจะทําไม่ไหวทําไม่ได้กําลังไม่พอต้องทําปริญญาตรีก่อนร่างกายนี้เป็นเหมือนปริญญาตรีเวทนานี้เป็นเหมือนปริญญาโทแล้วก็จิตนี้ก็เป็นปริญญาเอกมันเป็นขั้นของการปฏิบัติ แต่ถ้ายัางสมาธิยังล้มลุกคลุกคลานอยู่ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาดีกว่ามาเจริญสติให้มีความชำนาญให้ให้คล่องตัวก่อนสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาแล้วค่อยเวลาออกจากสมาธิแล้วค่อยไปพิจารณาร่างกายทำทีละข้อไ ป, ไปปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนไปกำจัดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ก่อน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 และผมคอยตาหนิกิเลสตลอดบางทีมันก็ออกผมจะบาปไหมครับต้องแก้ไขยังไงครับไม่บาปหรอกเพีอย่าอย่าไปสนใจมันแล้วก็ดา่ามันบ้างก็ได้มึงวิเศษกับพระแล้วนะถ้ามึงวิเศษกับพระมึงไปกล่าบทำไมอ่าก็อ่ไปห้ามมันไม่ได้หรอกเพราะมันอาจจะเป็นอคติของเราที่มันเคยปลูกฝังมาในใจ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 ที่เรากราบนี่เราไม่รู้เรากราบอะไรกันบางทีก็กราบไปอย่างนั้นเขบอกให้กราบก็ะกราบกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบไม่รู้ว่าพระพุทธเป็นใครไม่รู้ว่าพระธรรมเป็นอะไรไม่รู้ว่าพระสงฆ์เป็นอะไรอยงั้นต้องศึกษาให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรากราบนี้คืออะไรเหมือนกับเราเขาให้เราไปเอาเพชรมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราก็คิดว่าเป็นก้อนหินธรรมดาก็ไม่มีความกระตือหรือล้นยินดีหินไล่เขาให้ไปเอามาก็เอามา แต่ถ้ารู้ว่าเป็นเพชรราคาร้อยล้านพันล้านนี่โอ้ยจับที่มือสั่นไม่หมดนะกลัวมันจะหล่นกลัวมันจะหายเหนั้นถ้าเรารู้ว่ า, พ ร, า พ, พระพุทธธรมรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเพชรราคาร้อยล้านพันล้านเเราก็จะกราบอย่างสนิทใจคาถามต่อไปจากคุณจิรายุนะครับกับผมเห็นภัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ต้องใช้กายสังขารเพื่อทางานในทางโลก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 การปฏิบัติจะได้ผลมากน้อยก็อยู่ที่ปริมาณของการปฏิบัติเหมือนกับการทํางานถ้าเราไปทํางานให้เขาอาทิตย์ละวันเขาจะให้เราเงินเดือนเท่าไหร่ใช่หไหมถ้าเราไปทํางานที่เราเจ็ดวันนี้เขาก็จะให้เราเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันปฏิบัติวันละครึ่งชัววง่วโมงเขาถามว่ามันจะหลุดพ้นได้ไหมมันจะไปหลุดได้ยังไง มันไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์นี่ของพวกนี้นะพอเหมือนกับแทงออสเตรียโชคดีถูกระหวันที่หนึ่งขึ้นมาซื้อเพียงท้าหลายใบละห้สิบาทใบละร้อยหนึ่งถูกทีสามล้านอันนีน้การปฏิบัติมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลปฏิบัติมากก็ได้ผลมากปฏิบัติน้อยก็ได้ผลน้อย เหมือนกับเราไปทำงานเป็นลูกจ้างเขาลองทำหยุดหยุดขาดขาดไปดูเขาจะตัดเงินเดือนเราปา่แล้วเขาเราเาจะจ่ายให้เต็มเหมือน เ, อเหมือนคนอื่นที่เขาไปทำทุกวันถ้าปฏิบัติร้อยละห้าสิบผลมันก็แค่ร้0ยละห้าสิบถ้าปฏิบัติเต็มร้อยผลมันก็เต็มร้อยก็อยู่ที่ปริมาณของการปฏิบัติ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 มันก็ขึ้นข้นลงลงอยู่อย่างนี้มันก็ไปไม่ถึงไหนไทันทีไปทำงานแล้วก็มานั่งสมาธิออกจากสมาธิก็กลับไปทำงานใหม่มันก็ขึ้ น, นๆลงลงไปมีเข้ามาแล้วครับเข้ามาว่ามาจากคุณสุรีนะครับอยากให้คราอาจารย์ช่วยแนะนานการฝึกสมาธิแ ก, ก่เด็กๆค่ะเพื่อนําไปสอนลูกๆค่ะปัจจุบันบปัจจุบันจะให้ลูกๆสวดมน นั่งสมาธิและแผ่เมตตาโดยจะเน้นที่แผ่เมตตาค่ะไม่ทราบว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือไม่คะวิธีแผ่เมตตาก็ต้องอธิบายให้ก็าฟังว่าแผ่เมตตานี้แปลว่าทํำยังไงถึงไหมถึงแผ่เมตตาอย่างตอนเชา้าเดี๋ยวนี้เราบินทบาตเราเจอเด็กเราบอกว่าหนูยิ้มสินะยิ้มแล้วหนูจะสวยบางทีใส่บาทหน้าบึ้งอย่างนี้เราให้ยิ้มสินั่นแหะแผ่เมตตา เวลาอยากจะแผ่เมตตาเจอใครก็ยิ้มให้เขาหน้าบึ้งใส่เขามันไม่ได้แผ่เมตตาต่อให้นั่งสวดมนต์สัพเพสัตตา เ, าเวลาหหนตัวไปกี่ร้อยครั้งพันครั้งเวลาไปเจอกันก็หน้าบึ้งใส่กันนี่มันก็ไม่ได้แผ่เมตตาเวลาที่เรานั่งสวดมนต์แล้วเราแผ่เมตตาเรายังไม่ได้แผ่ก็ใช่ไหมเราซ้อมทําการบ้าน สามว่าเราต้องแผ่เมตตานะเราต้องยิ้มให้กับคนนั้นคนนี้นะเห็นถ้าอยากจะแผ่เมตตาว่าเวลาเจอกันให้ยิ้มใส่กันอย่าแย่เคี้ยวใส่กันอย่าหน้าเบื้งใส่กันนี่คือวิธีแผ่เมตตาง่ายๆขั้นต่อมาก็ก็มีอะไรก็แบ่งกันมีขนมก็แบ่งให้เพื่อนอย่ากินคนเดียวอย่าแย่งกัน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 แล้เดี๋ยวก็เตีกันแล้เดี๋ยวก็ฆ่ากันแล้วตายไปชาติหน้าเจอกันก็เอากันอีกเชื่อไหเนี่ยเวลาเราเจอใครแล้วเราไม่ชอบที่หน้ากันแสดงว่าเป็นเวรเป็นกรรมกันมาเวลาเราเจอใครแล้วชอบกันนี่ แ, แส้วเป็นบุญกันเป็นคู่บุญกันมาเคยร่วมบุญร่วมอะไรกันมานั่นวิธีแผ่เมตตาสอนเด็กก็สอนให้เขายิ้มนะหนูเจอใครให้ยิ้มน แล้วก็มีอะไรก็แบ่งกันนะอย่ากินคนเดียวแล้วอย่าแย่งกันถ้าของมันน้อยก็ให้คนอื่นเขาอาไปเราอย่าไปแย่งกับเขาเนี่ยสอนง่ายๆแบบนี้ไม่ใช่มานั่งตุกผู้ใหญ่ยังไม่รู้อะไรสวดอะไรกันใช่ไหมแล้วก็คิดว่าแผ่เมตตากันแล้วยังไม่ได้แผ่อะไรนั่งเฉยๆอ ย, ย่าไปแผ่อะไรกับใครต้องแผ่ตอนนี้ ตอนนี้เ อ, เอาสตังมาถวายพระอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาแล้ำบุญในการทาบุญก็คือการแผ่เมตตาแบ่งปันกันช่วยเหลือกันให้ความสุขก่อแก่กันและกันเรียกว่าการแผ่เมตตาต่อไปคถามต่อไปจากคุณพุท ธ, ธิพันธ์นะครับผมทำสมาธิด้วยการมองรูปพระพุทธรูปได้ไหมครับ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 ใจก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้คำถามต่อไปจากคุณรับวิวันนะครับพระอาจารย์คะดิฉันจะบ้าไปแล้วหรือเปล่าครับคือเวลาไปทำบุญแล้วมันเฉยๆมากไม่ค่อยศรัทธาในตัวพระเลยดิฉันจะทาบุญด้วยวิธีไหนที่จะทำให้ใจไม่คิดอกุศลก็ไปทาบุญกับพระที่ดีเลพระก็มีเหมือนสินค้านะ่ะ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 แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ไปสนใจคนที่เราเราทําบุญด้วยเขาจะเป็นใครดีช่วงไม่สนใจก็อยากจะให้เขามีความสุขแผ่เมตตาให้เขาให้ใส่บาตรให้เข า, ใ ห, า, า, ใ, หเขาให้อาหารเขาไปเราก็ยังมีความสุขได้แต่เราแต่เราจะไม่ได้ความประทับใจเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาก็าดีไปบางทีเราช่วยเหลือคนเราก็ไม่รู้เขาดีชื่อ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 ท่านเดือดร้อนท่านไม่มีอาหารกินท่านถึงต้องมาบินธบาตเราก็ซื้ออาหารใส่บาทให้ท่านไปเหมือนคนที่เจอน้ำท่วมไฟไหมก็ถ้าทำอย่างนี้เราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราไปคิดว่าเขาจะต้องเป็นพระอย่างนู้นพระอย่างนี้แล้วพอไปเจอเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่เกิดศรัทธาคำถามต่อไปจากคุณทัญมัยนะครับขนาดฟังธรรม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 แล้ประโยชน์ที่เราต้องการก็คือมาดับความทุกข์มาดับปิเลตของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราไปดับความโลภความโกรธความโงได้ก็ดีคำถามต่อไปจากคุณเขมิกาณนะครับเวลาทําบุญโดยการโอนเงินไปเราสามารถอุทิศบุญได้ทันทีเลยไหมคะและใส่บาทแล้วพูดอุทิศบุญเลยโดยไม่กรวดน้ําได้ใช่ไหมครับได้ทําบุญมาแล้วก็อุทิศได้เลย แล้วไม่ต้องให้พระมาสวดไม่ต้องมีน้ำ อ, องค์ประกอบสาคัญก็คือการเสียสละของเราพอเราเสียสละมันก็เป็นบุญขึ้นมานะไม่ต้องมีน้ำมากวดไม่ต้องรอพระมาสวดสามารถที่จะอุทิศได้ทันทีเลยสมัยนี้ยุคไฮเทคเนี่ยพอกดเส้นกดส่งปั๊บก็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 อความเจ็บของร่างกายได้ก็เป็นปัญญาคำถามจากคุณอุบาสิกานะครับคำถามนี้สุขเมื่ออาทิย์ที่แล้เคยถามมารอบหนึ่งแล้วน ะ, ะครับมามาเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเคยฟังท่านหลวงตามหาบัวเทศถึงเยเคยฟังท่านหลวงตามหาบัวเทศถึงท่านเคยสงสัยในบาปบุญมรรคผลนิพพานได้เรียนถามพระอาจารย์มั่นจึงหายสงสัยหลวงตามหาบัวเคยเล่า ให้ท่านฟังไหมคะว่าหลวงปู่มั่นตอบอย่างไรคะเออก็ไม่ไม่เคยเล่านอยเนะก็เพียงแต่ว่าท่านก็ยืนยันให้ให้ใ ห, ให้ให้ท่านว่ามีจริงท่านั้นเองบาปมีจริงบุญมีจริงแล้วมื่ได้รับคำยืนยันจากคนที่เราเชื่อว่ารู้จริงเห็นจริงเราก็เราก็หายสงสัยเหมือนกับคนตาบอดเนี่ย คนตาบอดถามคนตาดีว่าตอนนั้นมีต้นไม้จริงไหมตรงนี้มีลำธารจริงไหมถ้าก็มีจริงเราก็หายสงสัยแต่ถ้าไปถามคนที่ตาบอดด้วยกันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี <c> ่ย <oughs> มันก็ทำให้ไม่หายสงสัยเหตนถ้าได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากบุคคลที่เราคิดว่าท่านเป็นผู้ที่รู้จริง <c oughs> เห็นจริง แล้วยืนยันว่าสิ่งที่เราสงสัยนี่มีจริงเราก็หายสงสัยได้หมดแล้วเนนลยมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีก็ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวจะให้พรก่อนนะเผื่อใครอยากจะกลับก็ได้กลับไปได้บางการหนังสือซีดีก็หยิบไปได้นะ เองแต่ต้องเอาไปอ่านนอย่าเไปแจกมาจากที่ไหนกันมาจากพยองคพยองเมาปะไม่เกิมาที่นครับร้งแรกเลยรู้จักที่นี่ได้ไงรู้ในเอ่ะตติดตามอยู่แล้วตามนิดหน่อยไม่ได้ประจำปะจเคยเห็นถ่ายทอดสดไหมเคยดูถ่ายทอดสดไมครับเคยดูไม่แน่ใจบางทีก็สดบางทีก็ไม่สดน ะ, ะแล้วแต่เวลาถ้าสองถึงสี่ก็สดนะเอนตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ ตามสบายนะจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้เดี๋ยวถ้าไม่มีคำถามรอคำถามก็อาจจะนั่งสมาธิไปสักพักก่อนก็ได้ตามใจไปเถ้าจะไปก็ไปไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะนั่งเพียงแต่พูดแลวเผื่อไว้อ่อ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 พอเรามาจากตู้ใหม่ๆมันก็เย็นทิ้งไปสักระยะเดียวมันก็หายเย็นถ้าเรามาออกจากสมาธิแล้วเราอยากจะให้อุเบขาณี้คงต่อไปเราก็ต้องจเจริญสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยากหรือถ้ามีปัญญาก็คอยตัดความอยากเวลาเกิดขึ้นมาเราก็จะสามารถมีอุเบขาอยู่ไปเรื่อยๆได้ ตอนนี้ YouTube เข้ามากี่คนนะสามสิบสามคนสาสิบสามแล้วร้อยสาสิบสองรับอันนี้ก็เป็นขาประจำรู้สึกจำนวนจะอยู่ประมาณนี้สามร้อยถึงสี่ร้อยใครไม่ถามอะไรก็ส่งมาได้นะบอกว่าอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่ไหนภาพเสียงเป็นยังไงวันนี้มีคำถามจากผู้ฝาก หนูได้ฟังประสบการณ์การปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาจากเพื่อนนักปฏิบัติหลายคนบอกตรงกันว่าการปฏิบัติแม้จะล้มลุกคลุกคานได้แม้จะล้มลุกคลุกคานแต่ก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วฮึดสู้ไม่ว่าจะเป็นการถามไทยการให้ช็อคกแลในวันที่ผ่อนหรืออดอาหารและการฟังเทศทาให้มีกาลังใจที่จะปฏิบัติเหมือนต้นไม้เหี่ยวเหี่ยว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 วหวสติตามไม่ทันกิเลสอย่างไรทำผิด ม, มีแค่นี้ฮรมีแค่นี้ครับจงจงจง<ม>ไปติต่อเขาส่ขึ้นมานะอ่าก็แล้วแต่เขาถ้อยากจะระบายอะไรก็ปล่อยก็ระบายไปค <c oughs> าถามต่อไปจากคุณคุณหนูนะครับถ้าทําบุญใส่บาตรกับพระสองรูปด้วยของเหมือนกันแต่พระรูปหนึ่งเป็นพระแท้ส่วนอีกรูปเป็นเพียงสมบุติสง แต่ผู้ทำบุญไม่ได้ฟังธรรมจากพระทั้งสองรูป อ, อย่างนี้ผู้ที่ได้จากการใส่บาตรแต่ละรูปผู้ทำบุญจะได้รับบุญเท่ากันไหมคะได้ถ้าเสียสละมันอยู่ที่การเสียสละของเรามันไม่มันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับบุญนี้เกิดจากการเสียสละของเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นไปจงจะเป็นคนธรรมดาก็ได้เป็นนกเป็นปลาก็ได้ ได้บุญเหมือนกันได้ความเมตตาได้ความเ e อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนกันถ้าเราไม่ได้คุยหรือไม่ได้ฟังเขาพูดอะไรเราก็จะไม่ได้ของแถมเท่านั้นเองถ้าได้คุยกันก็อาจจะได้ของแถมกลับมาถ้าคุยกันนกมันก็ร้องจิบจิบจับจับให้เราฟังถ้าคุยกับมามันก็เหา่าฮ้องห้อ ง, หองให้เราฟังถ้าคุยกับพระถ้าพระมีธรรมท่านก็จะแสดงธรรมให้เราฟัง ถ้าพระไม่มีธรรมท่านก็แสดงกิเลสให้เราฟังมันก็แล้วแต่อันนี้เป็นของแถมแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันนี้มันได้ทันทีไม่ว่าใ ค, ใ, คใครเป็นผู้รับไม่สำคัญสบายนะจะเยน็เยนๆไม่รีบร้อนเลยไม่มีคำถามก็นั่ ง, ฉฉ ง, งเฉยๆมีรายงานไหมมาจากประเทศไหนบ้าง คำถามต่อไปจากคุณเบิร์ตนะครับความโศกเศร้าวความเหงาในจิตใจเกิดจากอะไรคะต้องวางกิตอย่างไรหรือแค่รู้ตามดูแล้ววางคะก็จากความอยากอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่มีมันก็เลยรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าพอมีเพื่อนปั๊บดีใจขึ้นมามีพอมีสิ่งที่เราอยากได้ขึ้นมามันก็ดีใจถ้าอยากจะทําให้มันไม่โศกเศร้า ก็ต้องทำใจให้สงบท่านะั้นมันถึงจะหายถ้าเรานั่งสมาธิใจสงบใจหยุดความอยากได้ความรู้สึกว้าเวเศร้าซ้อยงอยเงามันจะหายไปคาถามจากคุณออฟนะครับมีช่วงหนึ่งฟังพระธรรมบทหลับตานอนฟังธรรม ท, ที่หลวงพ่อสดใจอ่านตอนกลางคืนที่หลวงพ่อสุจใจอ่านตอนกลางคืนทุกคืน แล้วมันปิดติดตื้นจมจนน้ำตาไหลหลังจากคืนนั้นตื่นมารู้สึกว่ามีอะไรไม่ทราบผ่อรหุ้มใจเอาไว้มันเหมือนแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นเวลาสามวันคือเฉยมากๆไม่โกรธไม่หุดหงิดสามวันนั้นไม่ได้ดูทีวีและไม่อยากดูแต่วันที่สมดูทีวีแล้วเหมือนความเฉยรั่วออกมาอันนี้คืออะไรคะจิตสงบไปจิตพอสงบจิตก็มีความสุขมีความอิ่มก็เลยไม่หิวกับอารมณ์ต่าง ถามต่อไปจากคุณเจดีนะครับเวลานั่งสมาธิเหมือนเราเครียดตลอดจัดทาอย่างไรอยู่ก็อย่าไปสนใจเป็นธรรมดาเพราะว่าเวลานั่งสมาธิกิเลสมันจะต่อสู้มันก็เหมือนขึ้นเวทีเช่ากันกิเลนไม่ชอบอยู่เฉยเฉยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกตึงเครียดขึ้นมาเราก็อย่าไปสนใจให้เราส่วนมนไปก่อนก็ได้ถ้าเราอยู่กับพุทโทธไม่ได้ เพราะแสดงว่าสติเราไม่ค่อยมีเลยมันถึงเครียดถ้ามันมีสติมันจะไม่เครียดมา น, นั่งแล้วมันจะสงบยิ่นถ้าไม่มีสติแล้วพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนกว่าจะรู้สึกหายเครียดเบาใจสบายขึ้นแล้วค่อยพุโทโธต่อไปเป็นปกติของคนที่เริ่มเริ่มหัดใหม่ๆมันจะเครียด คำถต่อไปจกคุยสาษีนะครับการใส่บาตรเช่นที่พระอาจารย์และพระสงฆ์เดินบิณฑบาตเราสามารถตั้งจิตการใส่บาตรนั้นเป็นการถวายสังฆทานได้หรือไม่ครับปกติพระป่านี่ของที่ถวายก็เป็นสังฆทานท่านจะมาแบ่งกันท่านจะไม่เถ ว, ว่าเป็นของส่วนตัวเป็นของส่วนรวมมาแบ่งกันก็เถ ว, ว่าเป็นสังฆทานคําถามต่อไปะจะคุณมิสตอมนะครับ ผมคิดว่าผมควบคุมอารมณ์โมโหไม่ค่อยอยู่ต้องทำอย่างไรครับก็ต้องมีสติสติเป็นเหมือนเบรกถ้ามีเบรกมันก็จะควบคุมอารมณ์ได้ยังต้องพยายามมั่นฝึกสติเรื่อยๆหมั่นพุโทโธไปเรื่อยๆคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณกันตะคนนะครับสุขสุขจากสงบใจต่างจากสุขจากการได้ตามความอยากอย่างไรครับ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 คำถามต่อไปจากเฟิร์ตบุ๊กนะครับจากคุณหนึ่งนะครับจิตกับใจนี่เป็นอนัตตาด้วยหรือเปล่าครับคือมันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญอ่ะจิตกับใจจะเป็นแล้วไม่เป็นไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือร่างกายเวทนาและอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตเนี่ยที่เป็นประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา ทำต่อไปจากคุณนางฟ้านะครับโยมบริการพุโทโธมาสักพักหนึ่งนั่งสมาธิเดินชมคมเกือบทุกวันแต่ไม่ถึงชั่วโมงแล ะ, จะเจริญสติตามรู้กายตลอดวันผลที่ได้คือจิตใจจากแต่ก่อนคิดฟุ้งร้านกลัวแก่เจ็บตายระวนกระวายจิตตกสุขภาพแย่ลงเปลี่ยนเป็นวางเฉยจิตไม่ไปขุดคุ้ยอดีตที่เคยทากรรมมาให้ใจเป็นทุกข์มองเห็นชีวิตทุกชีวิต แก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาที่จะต้องเจอกับทุกคนอยากทราบว่าโยมเดินถูกไหมเจ้าค่ะแล้วต้องทําอย่างไรต่อเพราะอยากจะหลุดพ้นแต่ตอนนี้ต้องเลี้ยงลูกอ่อนทําให้ปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ค่ะก็ถูกแล้วแหละเพียงแต่ว่าต้องทําให้มันได้จริงๆต้องปล่อยได้จริงๆริงจะต้องไม่ทุกข์กับอะไรเลยไม่ทุกข์กับลูกไม่ต้องทุกข์กับตนเองไม่ต้องทุกข์กับอะไรต่างๆพร้อมที่จะให้ความตายปรากฏขึ้นได้ทุกเวลา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 มันก็จะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการการอยู่การตายเพราะเอยู่ก็ตายอยู่ดีเพียงแต่ตายช้าตายเร็วท่านเองคําถามต่อไปจะคุณไปวัดนะครับอยากเรียนถามว่าเวลาจิตได้ปัญญาจะสังเกตรหรือรับรู้ได้อย่างไรครับก็จิตจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะปล่อยวางไม่วิตกไม่กังวลไม่ห่วงใหญ่ไม่ชุกกับเรื่องอะไร ถาต่อไปจากคุณพักกร น, นะครับทําอย่างไรจะมีความเพียรต่อเนื่องเจ้าคะ่ะใกล้นึกถึงความตายอยู่เรื่อยจากคุณราภิวันนะครับดิฉันฟังทำมากมายจึงรู้สึกว่าอารมณ์นั้นอารมณ์มันไม่ค่อยยินดียินร้ายต่อโลกและสังคมแต่ดิฉันยังมีความรักโลกปวดหลงอยู่แต่พอห้ามใจได้และเลือกทําบุญและจะทำำําตามเหมาะสมดิฉันพอจะมีบุญบ้างไหมครับ ดิฉานฟังเทศทุกวันค่ะดิฉันพยายามทําความดีอยู่ค่ะก็มีเนี่ยการฟังทำการทําความดีก็เป็นบุญใต่ทาให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองต้องพยายามทําไปทําให้มากขึ้นทําให้บ่อยขึ้นอันนี้เป็นคําถามจาก ผ, ผู้ฝากถามนะะรับ ท, ที่บนมาเมื่อกี้นะครับบทต่อะครับเป็นเรื่องผิดปกติไหมคะที่การพิสู้ปฏิบัติเพื่อเอาชนะกิเลส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 กำลังใจมันเกิดขึ้นหลายหลายทางเกิดจากคนอื่นก็ได้เกิดจากตัวเราเองก็ได้เอ็นทางไหนที่มันทำให้เราเกิดกำลังใจเราก็เอามันทางนั้นไปนี้หมดแล้วครับเดี๋ยนั่งเฉยๆไปสักพักก็ได้กายอยู่ที่ไหนรายงานมาบ้างสิอยู่ที่ีอังกอ่านอะไรฟังหน่อยนี้มีใครที่ีอังกิ อ, อ่านไปเรื่อยๆมีไยมพัทยาชัดแจ๋วคนที่ก็ดูนี้เขาอ่านข้อความเรงนี้ได้เปล่าได้ใช่ไหมได้ครับเขาก็สนทนากันได้ใครถามอะไรคนที่ดูก็สามารถตอบเข้าไปได้เหมือนกันใช่ไหมส่งข้อความตอบกันได้ใช่ไหม ม, มีสวิตแลนด์ไหมวันนี้ นิวซีแลนด์มีนิวซีแลนด์ัมีนิวซีแลนด์มีอังกฤษครับอันนี้บอกขอนแก่นข้าวและเสียงชัดมากอยู่กรุงเทพชัดเจนดีเมื่อกี้ภาษาอังกฤษเขาบอกเขาบอกมาจากที่ไหนไ่านะกรภูเก็ตชัดเจนครับครับถ <c oughs> ต่อไปนะฮะเมื่อก่อนนึกถึงความตายจากกลัวแต่ไม่อยากนึกถึง แต่พอฟังพระอาจารย์เทพบ่อยๆแล ะ, จะเจริญมรณานุสติเป็นประจำจะรู้สึกเฉยแล้วรวมนึกรวมถึงนึกถึงตอนที่ญาติและญาติและเราตายอยู่ทุกวันมันไม่กลัวแล้วอย่างนี้ต้องรอข้อสอบคือตอนคนที่เรารักและเราจะตายจริงๆว่าจะผ่านจริงหรือไม่ครับใช่ตอนนี้มันยังเป็นการทําการบ้านอยู่ยังไม่ได้เจอข้อสอบ ของจริงกับของที่เราคิดมันไม่เหมือนกันเราอาจจะคิดว่าเราไม่เสียหลักแล้วใครจะตายเราพร้อมแต่พอเจอเขาจริงๆมันอาจจะเสียหลักได้เพราะกิเลนนี่มันร้ายกาบบางทีมันซ่อนอยู่ก็ลองดูเกิดเราไม่สบายแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งก็ดูซิว่าใจเราสะทกสะท้านหรือไม่ถ้าไม่สะทกสะท้านรู้สึกว่าเฉยก็ แสดงว่าเราผ่านไม่ทุกข์กับมันจะดูว่าผ่านไม่ผ่านก็จะดูตรงที่ทุกข์หรือไม่ทุกข์นี้เท่านั้นแหละเป็นผลสอบของพวกเราการปฏิบัติของพวกเรานี้ก็เพื่อไม่ให้ทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งทั้งปวงถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังตกยังสอบตกอยู่ครัอ ต, ต่อไปจะคุณคุณนุ้นะคะบบุญกับกุศลต่างกันอย่างไรคะ ถ้าแปลความหมายมันต่างกันคำว่าบุญก็คือความสุขใจกุศลก็คือความฉลาดความรู้ความฉลาดนี่เรียกว่ากุศลส่วนบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจกุศลก็เกิดจากปัญญาเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเกิดจากการพิจรณธรรมจนเห็นความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเรา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 แล้มันก็ต้องมันต้องมันต้องมีเต็มที่ถึงจะสนับสนุนกันได้เป็นเต็มที่ถ้ามีห้าสิบก็สนับสนุนได้แค่ห้าสิบเหมือนถ้าเรามีกําลังรากฐานมันสามารถปลูกอาคารได้แค่สองชั้นมันก็ได้แค่สองชั้นจะปลูกสูงกว่านั้นมันก็พังลงมาศีล ถ, ถ้ามีแค่สองชั้นก็ได้แค่สมาธิแค่สองชั้นปัญญาแค่สองชั้นถ้าอยากจะได้มากกว่านั้นก็ต้องก็ต้อง สร้างศีลให้มากขึ้นถ้าศีลเบอร์สุดได้ร้อยเอร์เซ็นต์มันก็ทําให้มีสิทธิได้สมาธิร้อยเปอร์ซนตถ้ามีสมาธิร้อยเปอร์ซก็สามารถได้ปัญญาร้อยเปอร์ซนต์ได้ไร้ปัญญาร้อยเปก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ร้อยเปอร์ซนต์จากคุณอ๋อนะครับจะทํายังไงให้ปล่อยวางกายและเวทนาได้จริงๆครับก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ไป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 แต่ถ้าไม่ไปทำงานแล้วก็นั่งอธิษฐานขอให้มีรายได้เข้ามาขอไปจมน้ำตายมันก็ไม่เข้ามาฉะนั้นเวลาจะอธิษฐานท่านสอนให้อธิษฐานที่เหตุท่านขอให้เราได้ทำบุญทุกวันขอให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ขอให้เราได้นั่งสมาธิตลอดเวลาขอให้เราได้พิจารณาปัญญาอยู่เรื่อยๆถ้าเราขออย่างนี้แล้วเราทาตามที่เราขอเดี๋ยวผลก็จะเกิดขึ้นมาเอง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 ถ้านั่งสั้นๆเหมือนก็จะมีกําลังน้อยกําลังแค่สั้นๆแค่ชกยกสองยกก็หมดแรงแล้วนี่มวยที่เราจะต่อนี่มันสิบห้ายกอ่ะก็ต้องหัดต่อให้มันได้สิบห้ายกแต่ใหม่ๆก็เอาแค่ยกสองยกไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็ต้องนั่งเป็นแบบยาวเลยว่ามา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 ขับรถไปแล้วมีสุนัขกระโจนมาใจเต้นแรงมากเลยครับรู้สึกกลัวว่าเราจะไปชนเขาตายเหตุใดใจที่มีต่อทั้งสองเหตุการณ์นั้นจึงต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคือกรณีนหนึ่งอาจจะเป็นชีวิตของเราที่จะต้องเสียเราพร้อมที่จะเสียชีวิตของเราแต่เราไม่อยากจะไปทำบาปไม่อยากจะไปให้สุนัขตายจากการกระทาของเรามันก็เลยมีความรู้สึกต่างกันชีวิตของเราเรายอมเราก็เลยนิ่ง ชีวิตของสุนัขเราไม่ยอมเราก็เลยไม่นิ่งเราจริงถ้าอยากจะนิ่งก็ต้องปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมถ้าหยุดได้ก็หยุดหยุดไม่ได้มันจะถูกชอนก็มันก็เป็นกรรมของมันไปใจเรายังมีความาคติยังไม่เหมือนกันกับชีวิตเราเรายอมแต่เรายังไม่ยอมไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นคำ ถ, ถามจากคุณแบทแมนสวัสดนะครับการ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 ดูใจเฉยๆก็ได้ดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้ามันไม่คิดก็ปล่อยให้มันนั่งเฉยๆไปคถานต่อไปจากสังคุตตุธโทนะครับต้องศึกข้อไปดูแลพ่อแม่เพราะอยากให้พ่อแม่สบายขึ้นแต่แต่ไม่อยากศึกขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับอ้อาวหมายเงาศึกไปแล้วไม่เช่หรืยังไม่ศึกอย่างครับต้องต้องศึกเพราะต้องศึกเพราะต้องไปดูแลพ่อแม่เพราะอยากให้พ่อแม่สบายขึ้น แต่ไม่อยากสึกธิ์ขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับก็แล้วแต่เราเราอยากจะทําอะไรก็ทําไปที่มันจะทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้เราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยากจะไปเลี้ยงพ่อแม่ก็ไปแต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้เลี้ยงพ่อแม่ได้ในขณะที่เป็นพระอยู่แล้วเช่นอาหารที่บินนบานนี่ก็แบ่งให้พ่อให้แม่ได้ฉะนั้นคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุที่จะ ท้าเราศึกส่ึกก็คืออยากจะไปมีเมียมากกว่าเรียงแต่อ้างพ่ออ้างแม่พอไปศึกไปแล้วก็อาจจะปเป็นเลี้ยงพ่อบ้างแต่ก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปไปเข้าผับเข้าบาร์หรือไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นเพียงแต่เป็นข้ออ้างใช้มากกว่าถ้าอยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงๆไม่ต้องศึกก็ได้เลี้ยงได้ในฐานะที่เป็นพระจากคุณขันติพงศ์นะครับ ตอนแรกที่ป่วยจิตจะกลัวตายทำให้จิตรวมได้เร็วแต่พอความกลัวหายไปจิตกลับไม่ค่อยอยากจะรวมมีวิธีแก้ไหมครับก็ไปหาที่มันกลัวๆนั่งมันก็จะรวมง่ายไปนั่งที่ป่าชา้าไปนั่งที่มันหวาดเสียวที่มีพิษมีภายราบด้านมันก็จะทำให้จิตมันไม่ไม่ดือ้อมันจะทำให้มันเชื่องบอกให้มันอยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธ ถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์ที่ปลอดภัยมันก็จะดื้อมันก็จะไม่กระตือรือร้นที่จะภาวนาพระป่าท่านถึงมักจะไปอยู่ในป่าในเขาไปหาที่ที่มันน่ากลัวกันเพื่อที่จะได้เป็นเป็นเป็นเครื่องมาช่วยกำหลับความดื้อรั้นของใจเพราอมันอยู่ที่กลัวนี่มันให้อยู่กับพุทโธมันก็พุทโธอย่างเดียวมันไม่กล้าไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้ามันอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็วัดไปนู่นวัดไปนี่ มันไม่รู้สึกก็มีภัยอันตรายอะไรเออเวลาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่บางทีปฏิบัติทำดีกับตอนที่สุขสบายแลาสุขสบายแล้วมันขี้เกียจแต่พอวันนึมันจะรู้ว่าอาจจะตายนี่โอ้โหมันขยันภาวนาขึ้นครับคาถามต่อไปจากคุณเนนเสียพิงนะครับมีด้วยหรือครับที่ว่าจะมีคนสามารถรู้ได้ว่าเราเป็นยังไง ทั้งที่เพิ่งเห็นหน้ากันครั้งแรกก็สามารถบอกในสิ่งที่เราไม่ได้บอกเขาเลยโดยเขาคนนั้นอ้างว่ามีผู้บอกมาว่าเป็นครับเป็นคนบอกแสดงว่าคนคนนี้สื่อกับอีกพบหนึ่งได้หรือหรือครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามก็ดูเลยเขาเสื่อกันยังไงแต่คนบางคนนี่ถ้ามีพลังจิตนี้เขาสามารถอ่านจิตใจของเราได้หรือรู้อดีตชาติของเราได้ เช่นพระพุทธเจ้านี่ท่านจะรู้ว่าชาติก่อนเราเคยทําอะไรมาเคยเป็นอะไรมาหรือเรากําลังคิดอะไรอยู่ท่านก็รู้ว่ า, ากําลังกําลังคิดอะไรอยู่อันนี้คนที่มีพลังจิตสูงนี้จะสามารถที่จะรู้เหตุการณ์ต่างๆเหล่า น, นี้ได้คำถามน่าจะเป็นสุดท้ายนะครับเพราะอันนี้ไม่ไม่ขึ้นนะโ <Okay. S 2> อเคครับ อ, อันนี้อันนี้ไม่ให้อ่านชื่อนะครับหนูปฏิบัติทุกวัน ถ้าไม่มีอะไรมากระทบใจก็สบายแต่บางครั้งเวลามีอะไรมากระทบทางตาทางหูใจจะมีอารมณ์กับสิ่งนั้นหนูจะต้องปฏิบัติอย่างไรในขณะนั้นเพื่อไม่ให้ใจวันไหวกับเรื่องนั้นคะก็สองวิธีวิธีสติก็คืออยู่กับพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงรูปรือสิ่งที่มากระทบกับเราให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปแล้วใจก็จะสงบ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 เราต้องหยุดความอยากหยุดความรักชังกลัวหลงให้ได้ถ้าไม่มีความรักชังกลัวหลงใจก็จะไม่รู้สึกสะเทินถ้ายัางยังสะเทือนใจอยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีโอเบกขา mm. ก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆให้ใจมีโอเบกขาแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นธรรมดาของต่างๆที่มาปรากฏเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราให้เฉยได้หมดแล้วนะหมดแล้วครับ